กามันเป็นสัตว์ที่ขยันหากินมากมันตื่นแต่เช้าคนเราเนี่ยถ้าตื่นทีอหลังกานี่ก็ถือว่าขี้เกียจแล้วนะต้องตื่นก่อนแล้วทีนี่นี่ก็ตื่นก่อนกานะเป็นชั่วโมงเลยเสียงมันเข้ารึเปล่าไม่ผิดข า, ขา ตื่นเนนชานะ้าก่อนกาอยู่หลายชั่วโมงตื่นมาทำอะไรนะ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 จะได้เป็นต้นทุนนะในการที่เราจะดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันให้มีความสุขํำระใจยังไงแล้วก็มาสวดมนต์แต่สวดมนต์คนเดียวหรือว่าสวดมนต์พร้อมๆกันที่สารานี้ก็ได้นะแต่สวดมนต์พร้อมกันที่สารานี้มันดีกว่ามันไม่ใจตื่น ไม่งงเอาหานอนเพราะว่ามีเพื่อนๆมีครูบาอาจารย์มาสวดด้วยการสวดมนต์เนี่ยนะมันถือว่าเป็นการทำให้เกิดสุริมงคล น, นะกับจิตใจของตัวขณที่เราสวดมนต์ล้วก็ น้อมใจนึกนะถึงแต่สิ่งดีงามสิ่งดีงามก็คือพระธรรตรัยนะนึกถึงแล้วใจก็สะอาดความอยากจะทำบาปความอยากจะทำชั่วเนี่ยมันก็ผดหายไปใจเราเนี่ยมันมีคือสองตัวนะ ตัวดีกับตัวร้ายตัวดีก็คือความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยากจะทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลนี่คือตัวดีส่วนตัวร้ายนี่ก็ก็มีเหมือนกันอยู่ในใจเรา มันก็เป็นตัวโกรธตัวเกลียดคอยจะชักชวนให้เราทำบาปเช่นลักขโมยหรือว่าไปทำร้ายทำร้ายสัตว์ทำรา้ายคนที่อยู่รอบตัวเราที่เราโกรธที่เราเกลียดน่นแหละ ตัวร้ายเนี่ยนะถ้าเกิดว่าได้ยินได้ฟังหรือได้สวดถึงพัฒนนัดไัยมันก็ฝ่อไปได้นะเมืออกับผีเนี่ยพอเจอพระนี่ก็ยอมแพ้ตัวร้ายนี่ก็จะเหมือนกับจะเรียกว่าเป็นผีก็ได้นะผีในใจเรา ผีกิเลส น, นนะพอเราสวดมนต์นะไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเราสวดด้วยปากพูดใจก็ว่าตามนะน้อมติดตามไปด้วยมันก็เป็นอาหารเป็นกำลังให้กับตัวดีส่วนตัวร้ายนะในใจเราก็พ่ายแพ้พหลบหนีไป อันนี้เราก็ว่าเป็นการชำระใจให้สะอาดนะทําให้ใจเรามีความขาวขาวสะอาดพอตัวร้ายเนี่ยมันมันทําให้ใจดำํำนะคนใจดําเนี่ยเพราะว่าหมายถึงคนที่ไม่มีน้ําใจเห็นแก่ตัวอันนี้เพราะว่าตัวร้ายเนี่ยมันครอบงาใจใจก็เลยดํา แต่ถ้าเราสวดมนต์นะฟังธรรมหรือว่าทำสมาธินะใจเราก็เป็นบุญก็เรียกว่าใจขาวใจสะอาดนะอ น, นี่เรียกว่าการชำระใจนะแต่ถ้ามามันนั่งตรงนี้พระสวด แม่ชีสวนแต่ว่าเรานั่งหลักนะมันก็ได้ประโยชน์น้อยนะมันก็ยังไม่ใช่เป็นการชำระใจให้ขาวสะอาดเท่าไหร่การส่วนมนนี่มันทําให้เรามีของดีด้วยนะทำให้ใจเรามีของดีเป็นของดีที่ช่วยรักษาจิตใจของเราไม่ใช่แค่ขาวสะอาดเท่านั้นนะแต่ทำให้ จ, จิตใจเรามั่นคงปลอดภัย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 ถ้าชอบอยู่ป่าถึงแม้ว่าอยู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านก็ก็ต้องหาทางเข้าไปอยู่ในป่าเขาเรียกว่าชุดดงนะทุดดงที่จริงทุดดงเนี่ยมันเป็นเครื่องฝึกนะเป็นเครื่องฝึกให้เป็นคนอยู่ง่ายสันโดษ เป็นเครื่องขัดเกากิเลอยู่ง่ายยังไงก็เช่นว่าชั้นอาหารวัลลามือนี่ก็เราทุดดงนะหรือว่านอนใต้โคนไม้นอนโคนไม้ก็ทุดงชั้นในบากอันนี้ก็เราทุดดงนะหรือว่าไม่นอนเลยนะมีแต่ยืนเดินนั่งไม่มีการเอาหลังมา สัมผัสพื้นก็ทุดงแต่ทุดงนะสมัยนี้เนี่ยเราก็นึกถึงการเข้าไปในป่าและพรสมัยก่อนนี่ก็ชอบเดินทุดงนะไปอยู่ป่าสมัยก่อนที่ป่านี่มันมีเต็มทั้งประเทศเลยอยู่กรุงเทพเนี่ยนะ ออกไปไม่กี่ออกไปไม่เท่าไหร่ก็เป็นป่าแล้วแถวลังสิตนี่โอก็มีจะเรียกว่าเป็นป่า น, น้อยๆก็ได้กิน<ม>บ้านเราเนี่ยบ้านป่านเนี่ยนะโผไปออกไปไม่ถึงกิโลก็ป่าแล้วในป่านเนี่ยนะมันมีอะไรนะมันก็มีอันตราย ว่าพระนี่เขาไปในป่าเนี่ยไม่ใช่เพื่อไปไปเจออันตรายนะท่านไปเพื่อไปหาความสงบสงัดนะเพราะว่าความสงบสงัดเนี่ยมันทําให้จิตใจเป็นสมาธิใจมีสมาธิใจก็จะแข็งแรงนะใจที่มีสมาธิจะเป็นใจที่แข็งแรงเข้มแข็งนะ คนเราเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงได้ต้องออกกาลังกายใช่ไหมยกน้ำหนักนหรือว่ า, าวิ่งแต่ว่าจิตใจเนี่ยถ้าจะแข็งแรงเนี่ยต้องทำสมาธิจิตจะตั้งมั่นและสมาธิเนี่ยวิธีหนึ่งที่จะเกิดขึ้นน่คือไปอยู่ในที่ที่สงบสงัด ก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วแต่ว่าในป่ามันก็ต้องมีอุปสรรคนะอุปสรรคนี้ก็คือความยากลบาบากอาหารน้ำท่าก็อาจจะน้อยแล้วก็ จ, จะมีเชื้อโรคนะและที่น่ากลัวกันนันคือสิงสาราสัตว์เช่นช้างเช่นเสือ หรือว่างูหมีสมัยก่อนนี่มีเพียบเลยในป่าขณะที่พูลงนี้ยังมีเลยนะช้างไม่มีแล้วเสือไม่มีแล้วแต่มีมีมีหมูป่าหมูป่ายะยะเลยข้างบนเนี่ยมีงูงงูนี่ก็ไม่ต้องไปอยู่ข้างบนเน่ยมันก็อยู่ไปทั่ว แ่ก็กลัวคนนะแต่ว่าป่าสมัยก่อนเนี่ยนะคนไม่ค่อยไปเท่าไหร่มันก็มีแต่สัตว์เป็นเจ้าป่าพาะทุดงสมัยก่อนเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยบางทีกำลังทำสมาธิอยู่ดีดนะก็เจอของดีเลยนะ อย่างตรงปู่บุดานะท่านเล่าว่าหลวงปู่บุดานที่ท่านก็มรณาภาพไปยี่สิบปีแล้วนะอายุท่านเป็นร้อยหนึ่งร้อยปีกอตอนที่มรณาภาพนอนหนึ่งๆที่านก็ทุดดงนะมีช่วงหนึ่งก็ไปก็ไปพักแรในในถ้ำนั่งสมาธิหลับตาตู่ๆก็ได้กิ่น กลินเหม็นๆกลิ่นสับสนแปลกๆสัญชาตญาณมันบอกเลยว่ามีอันตรายอยู่ข้างหน้าอยากจะเปิดตาดูนะว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่กล้าสัญชาตญาณคนนี่มันบางทีไม่เห็ น, นแต่รู้นะว่ามีสิ่งน่ากลัวอยู่ข้างหน้า ฉันบกกลัวนะกลัวจนทั่งตัวแข็งเลยนะเหงื่อออกเหงื่อนี่มันออกมาทันทียร์เลยนะพอาะกลัวเนี่นะแต่วา่านก็ตั้งสติได้ระหว่างที่กลัวนี่ก็ถามตัวเองว่าถ้ากลัว ถึงแม้ไม่เปิดตาเนะถ้าจะต้องตายเนะี่ยมันก็ตายวันยังค่าไม่มีทางหนีไปไหนได้อยู่ในถ้เนี่ในเมื่อต้องตายนี่ก็ให้รู้ว่าข้างหน้าคืออะไรดีกว่าที่แรกมันไม่อยามเปิดตาเนี่ยมันก็เราไปดูหนังผีอ่ะเราก็าเวลาผีมาเราก็ปิดตา ก็กลัวแต่ว่าใจนี่มันก็กลา้าเยก็เลยหวงปูวดาก็เลยเปิดตาขึ้นมาดูร <Vincent sus> <mentation> ู้นะว่ามันอาจะเป็นตายถึงตายแต่ว่าถ้าจะตายก็ขอรู้ว่าตายเพราะอะไรเปิดตาดูเจออะไรเจองูตัวใหญ่มันชูคออยู่ข้างหน้า มันว่าเนี่ยหัวมันเนี่ยเท่ากับมะพร้าวลูกเลยนะหัวมันเท่ากับมะพร้าวเลยนะตาแดงนะแลบลิ้นนะดูห่างหน้าท่านประมาณเมตรประมาณประมาณเมตรชูขึ้นมาเห็นแล้วก็กลัวนตัวแข็งเลยตกตะลึงว่าไม่เคยเจองูตัวใหญ่ขนาดนี้ แล้วก็มันทำท่าจะจะฉกด้วยแต่ว่าท่านก็ตั้งสติได้นะพอตั้งสติได้ก็เรารึกถึงอะไรอย่างแรกที่นึกถึงก็คือพรพุรทธธรรมประสงค์ลรวรึกถึงพระรัตนใจก็ขอให้พระรัตนใจคุ้มครอง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 เมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็พร้อมจะตายแล้วขอพร้อมที่จะอุชิดชีวิตร่างกายนี้ให้กับให้กับงูตัวนี้ยอมอถือว่าเป็นการทำบุญให้ให้เขาไปตอนนั้นไม่คิดหนีเลยนะไม่คิดสู้ด้วย ก็คือว่าถ้าจะตายก็ให้ตาย ต, ายตรงนี้แหละตายอย่างสงบตอนนั้นเรียกว่าปล่อยวางแล้วไม่มีความอะไรในชีวิตท้านก็นทก็หลับตา น, นิ่งนะไม่มีความกลัวไม่มีความเกลียดงูตัวนี้เลยเพราะว่างูมันก็ชูคอช็อกพัก ไอหลวงปู่ระดาานนิง่งมันก็เลื้อยออกไปในสุดหลวงปู่ท่านลืมตายคีมันก็หายไปแล้วลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยกลัวขึ้นมาเนี่ยตื่นตกใจพอลุกขึ้นจะหนีนะก็อาจจะโดนงูเนี่ยมัน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 ความนิ่งนี่สำคัญนะแล้วในยิ่งได้ก็ต้องมีสติจะมีสติได้ก็เพราะว่ามีการเลืกอถึงพระตนาัใจหลวงปู่ท่านนึกหลวงปู่ขาวนะหลวงปู่ขาวท่านก็เดินทุดลงเหมือนกันนะภาคเหนือภาคเหนือที่สัตว์ช้างเยอะมาก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 กลัวก็กลัวนะแต่คิดว่าเนี่ยแสงเทียนนี่ยก็คงจะช่วยสะกดไม่ให้เช้านี่มาทำ้ายท่านได้จะกพักเนี่ยชามก็มาตัวใหญ่มากนี่ว่าประจันหน้ากันเลยนะหลวงปู่ขากลัวเหมือนกันแต่ท่านก็ทำใจดีใจสู้เดินตรงกลม กาที่กลัวเนี่ยก็ตั้งสติได้ก็อธิษฐานนะขอให้พระตนัมกายคุ้มครองแล้วจิตช่านก็นึกถึงพุโทโธระหว่างที่เดินดงกลมในใจก็นึกถึงพุโทโธ <Okay. S 1> พุธโทโธคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นนี่ไม่สนใจช้างเลยนะสนใจแต่ จ, จอดอยู่แต่พุโทโธ แล้วก็บอกกับตัวเองว่าให้จิตอยู่พุโทโธนี่แหละถ้าเกิดว่าจะต้องตายเพราะช้างกระทืมนะก็จะได้ไปสุคติหรือว่าอาจจะบรรลุนิพพานก็ได้คือท่านก็ยอมยอมตายเหมือ น, นนะแต่ว่ารอที่ตายถ้าจะตายก็ขอยตายค่ะที่จิตอยู่พุโทโธจิตเป็นสมาธิ เช้ามก็อยู่อย่างนั้นแหละมองเห็นคนตัวเล็กๆ เ, เดินไปเดินมาสงบนิ่งแต่แล้วสักพักมันก็เดินกลับไปทางเดิมก็เป็นนันว่าท่านรอดชีวิตมาได้คนชท่านก็เลยได้คิดว่าเออเนี่ยนะคนเราเวลามีอันตรายอะไรขึ้นมานี่นะ ว่าจิตเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับพุโทโธเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรทำอันตรายเราได้นี่ถึงบอกว่าพระธนรมจารย์จะเป็นของดีนะเป็นของดีที่เราควรน้อมเข้ามาใส่ใจน้องเข้ามาใส่ใจอยู่ บ, บ่อยๆบ่อยๆเวลามีอันตราย จะได้รลึกนึกถึงได้รวดเร็วเราถึงด้วยเร็วนี่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมาทำให้จิตตั้งมั่นจิตไม่กลัวจิตมีสติพอจิตมีสติแล้วจะทำอะไรมันก็ทำด้วยความระมัดระวังอรู่ว่าสามารถจะระงับความกลัวจนกระั่งจิตเนี่ย มั่นคงได้เรื่องที่เล่ามาเนี่ยหลวงปู่ขาวก็ดหลวงปู่ปัญญาก็ดีเนี่ยถ้าทาไม่มีสตินะกลัวลุกขึ้นวิ่งนะเกิดายขึ้นนะงู ม, ม, มันก็ตามฉกหรือไม่กระชามก็วิ่งไปเหยียบกระทืบได้เพราะความตกใจคนก็ตกใจสา์ก็ตกใจ มันไม่คิดจะกินเป็นอาหารนะเพราะมันไม่กินคนอยู่แล้วแต่ว่ามันตกใจมันก็เลยทําร้ายเวลาเมียร์ตรายขึ้นมาเนี่ยถ้าทําอะไรไม่ได้เนี่ยนิ่งเอาไว้เป็นดีที่สุดเนี่ยนิ่งเอาไว้นิ่งได้เพราะอะไรนิ่งได้เพราะมีสตินิ่งเพราะว่าจิตเนี่ยหรือถึงพลัสนัทใจก็ทําให้มีสติ หายกลัวคนเราเนี่ยยิ่งกลัวยิ่งอันตรายเนี่ยความกลัวเนี่ยมันเป็นอันตรายของมนุษย์ถ้าเราจะรอดจากอันตรายได้เนี่ยต้องระงับความกลัวก่อนและการเลือถึงพัฒนาใจเนี่ยพราะพุทธธระมพระสงฆ์เนี่ยมันจะให้ความกลัวเนี่ยหายไป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 พวกเรานี่โชคดีนะที่ได้ ม, มีโอกาสรู้จักพระรัตนใจนะเป็นชาวพุกธก็พยายามน้อมใจนึกถึงพระรัตนใจบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะเวลามีอันตรายเท่านั้นนะแต่เวลาอยากจะทําชั่วอยากจะผิดศีลเนี่ยก็เลยถึงพระรัตนใจไว้ตอนที่เราอยากจะทชั่วอยากผิดศีลเนี่ยตัวร้ายเนี่ย หรือว่าผีกิเลสเนี่ยมันกลังคล่องลำจายแล้วคือเราทำตามมันนะเราก็จะเดือดร้อนภายหลังไปขโมยเงินเพื่อนไปขโมยโทรศัพท์ของครูเรือ่อไปยิงไปยิงนกแบบนี้อ่ะมันเป็นบาปนะซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อนใจภายหลัง แต่ถ้าเลิถึงพระนัตตายเมื่อไหร่ไอตัวร้ายเหล่านั้นเนี่ยเแล้อผีกิเลสเนี่ยมันก็จะฟอร์ไปมันก็จะเหมือนกับงูหรือช้างนะที่พอเรานิ่งสงบพอเลิกถึงพระนัตตายเนี่ยมันก็ลาถอยไป จริงสมัยนี้นะคนเราเนี่ยไม่เค่อยได้เจอช้างไม่เคยได้เจองูหรืออันตรายแบบเนี้นะอันตรายที่เป็นสัตว์เนี่ยมันมีน้อยแนละ้วหรือไม่มีเลยอยู่ในเมืองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงช้างไม่ต้องพูดถึงงูแบบนี้มันไม่ค่อยมีแต่อาจจะมีอันตรายแบบอื่น เช่นรถลาข้ามถนนเนี่ยถ้าไม่มีสตินี่ก็โดนรถชนได้ขับรถ ม, มีสติก็เกิดอุบัติเหตุได้แต่ว่าอันตรายมันไม่ได้มีอยู่แค่นอกตัวเท่านั้นนะอันตรายบองคับก็เกิดขึ้นที่ใจเรา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 คนยุคใหมน่นี่ตายเพราะความเครียดนะตายเพราะความความดันตายเพราะโรคหัวใจตายเพราะเซลล์ในสมองแตกเยอะนะตายเพราะมะเร็งอันนี้มันเกิดจากความเครียดความความทุกข์ในใจนั่นทำไมมันเกิดขึ้นได้นะก็เพราะว่าไม่รู้จัก ทำใจใเป็นสมาธิไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางคนเรานี่เดี๋ยวนี้ปล่อยนะ เ, เลี้ยงนะเลี้ยงเลี้ยงศัตรูไว้ในใจเราเราเลี้ยงความโกรธเราเลี้ยงความเกลียดเราเลี้ยงความความเครียดเอาไว้ในใจเรา เรามัเจะบอกว่าเรารักตัวเองเรารักตัวเองถามนักเรียนทุกคนนักเรียนก็บอกว่ารักตัวเองแต่เคยสงสัยมว่าเออทําไมเราเราชอบเลี้ยงความโกรธความเปื้ยดเอาไว้เลี้ยงความโลภไปในใจเวลาโกรธใครเวลาเกลียดใคร กาที่จะพยายามดักความโกรธความเกลียก็ปล่อยให้มันเผาใจปล่อยให้มันทิ่มแทงใจพอโกอเกียกแล้วทํางมันก็สั่งให้เราด่ามันก็สั่งให้เราทุบตีต่อยตีเพื่อนบางทีถึงกับทำร้ายพ่อแม่ทุกตีพ่อแม่บามเล ไอ้ทำไมเราจึงทบาปนะก็เพราะว่าปล่อยให้ความกลัวความเกลียดความชั่วร้ายมันคลองใจแล้พวกนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายนะต่อชีวิตจิตใจของเราถ้าเรารักตัวรักตัวเองเราต้องไม่ไม่ปล่อยให้มันคลองใจเราไม่ปล่อยให้มันมายึดจิตใจเราเอาไว้ต้องไล่มันออกไป พูทเจ้าตัดว่าเนี่ยคนชั่วเนี่ยคนพาลเนี่ยคนพาลปัญญาซามหรือคนงโง่ก็ได้นะทำย่อมทงกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูคนพาลคนงโง่เนี่ยทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูหมายเขาอย่างไงก็บอกเขาว่าไปผิดศีลมั่งละไปทำร้ายไปโกหกมั่งละ อันนี้คือการทำร้ายตัวเองเพราะว่ามันทำให้เกิดเรื่องเดือ น, อนอร้อนใจในภายหลังที่จริงไม่ต้องรอให้มันเดือดร้อนใจภายหลังนะแค่เรามีความโกรธความเกลียดนี่มันก็มันก็ทุกข์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วละงถ้าเรารักตัวเองนะก็พยายามรักษาใจนะอย่าให้อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันเข้ามาครอบงํา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 หรือแม้แต่เวลาเจ็บเวลาปวดนี่ก็ใช้พุโทโธได้นะน้องไอ้อยุสี่ขวบน ะ, ะนะนะนะัพวกเธอจะไม่รู้จัก น, ะน้องไอ้แต่ว่าฟังเอาไวนะ้น่าสนใจน้องไอ้เนี่ยอายุสี่ขวบวันหนึ่งดีใจอารมณ์ดีนะวิ่งนะวิ่งไปชนประตูกระจกประตูนะมันไม่เห็นมาเป็นกระจกนะแกนึกว่า ประตูเปิดอยู่เลยวิ่งออกไปล้าก็ไปชนกระจกเสียงดังตึ้งแม่ได้ยินเสียงน้องไอร้องก็รีบวิ่งมาเห็นน้องไอ้ก็จะไปกอดเอาไว้เพื่อปลอบน้องไอ้จะได้ไม่ปวดน้องไอ้เห็นแม่กำลังวิ่งเข้ามาก็ยกมือบอกไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวน้องไอ้นั่งสมาธิ ความปวดก็จะหายไปน้องไอฉลาดนะปวดเนี่ยก็รู้ว่าถ้าปวดเนี่ยรู้ว่านั่งสมาธิจะหายสมาชื่มันทําให้ลืมปวดได้อันนี้น้องไอเป็นคนฉลาดนะรู้ว่าสมาธิเนี่ยนะมันมีประโยชน์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 พิชารักษากายใจด้วยใช้สมาธิแลนะ้เวลามีความเดือดร้อนใจต้องพยายามรักษานะพยายามรักษาใจอย่าให้มันเข้ามาเร่งงานเราเวลาปวดก็ใช้สมาธิดูบ้างยาก็ใช้นะแต่สมาธิก็อย่าลืมยาเนี่ยมันรักษากายแต่ว่าสมาธิรักษาใจเวลาเปวดเนี่ยไม่ได้ปวดแต่กายปวดใจด้วย ทีพอเราใช้สมาธิเนยใจก็หายปวดมันก็ปวดแต่กายแต่ครั้นี้มันก็จะน้อยลงแล้วแต่บางทีเราเราเป็นทุกข์เพราะความโกรธนะปาวา น, นี่อายุย ป, ประมาณสี่ขวบวันหนึ่งโดนแม่ว่าโอ้ดิปาวานก็จะเถียงแม่ก็จะไม่พอใจแม่พอไม่พอใจก็ว่าแม่เถียงแม่ แต่วันนี้ปวานไม่เถียงเงียบแม่ว่าเสร็จปวานก็เดินออกไปแม่ก็แปลกใจทาไมปวานไม่เถียงปวานทำอะไรเนี่ยเดินตามปวานไปแล้วถามว่าปวานทำอะไรปวานตอบว่าไงรู้ไหมปวานบอกว่าผมจะไปสงบสติอารมณ์ครับนะปวารู้ว่าตอนนี้กาลังโกรธไม่พอใจแล้วปวานก็รู้ว่าความโกรธจะไม่ห้ทำให้ทุก แล้วประวางก็รู้ว่าจะต้องทําให้ความโกรธหายไปทํายังไงก็ไปสงบสติอารมณ์นะนี่เป็นวิสัยคนที่รักตัวเองนะคนที่รักตัวเองนี่เขาจะพยายามไม่ให้ความโกรธเข้ามาเร่น ง, งานจิตใจเขาจะพยายามทําให้เพียามรักษาใจให้สงบไปสงบสติอารมณ์นะ นี่คือคนที่รักตัวเองคนที่ไม่รักตัวเองนะก็จะตเตะข้าของทำลายข้าของหรือว่าดา่าด่าแม่ด่าแม่เล่าว่าแม่แต่แล้วเป็นไงก็เดือดร้อนเสียของที่คว้างปาไว้ก็เสียบางทีไปเตะเตะทอชัดทางเนี่ยเดือดร้อนนะเดือดร้อนอันนี้เราไม่รักตัวเองนะถ้าคณรักตัวเองนี่เขาเวลามีความทุกข์เขาจะพยายามระงับความทุกข์ด้วยใจตัวเองด้วยสมาธิ เวลาเวลาบวดเวลาเจ็บนะเขาก็จะมีของดีนะก็คือสมาธิรักษารักษาความปวดได้แล้วเวลามีอันตรายนะก็จะใส่สมาธิใส่สติอาศัยพระธรรมไต้นี่แหละช่วยคุ้มครองรักษาจิตใจและชีวิตให้ปลอดภัยนีก็ก็ให้เรานะรู้จักของดีนี่ไว้นะแล้ว เ, เอาไปใช้ติดตัวไว้เอาละก็พูดกันเท่านี้กัดนะ